าทแมววิเศษกาลครั้งหนึ่งในอาณาจักรที่มีความสุขราชินีและราชาได้ให้กำเนิดบุตรสาวตัวเล็กน่ารักนามว่าเจ้าหญิงลีอาเธอเป็นทารกที่น่ารักและร่าเริงที่สุดที่เคยพบวันหนึ่งขณะที่ราชินีออกมายังสวนกับลีอาและคนใช้ของเธอทันใดนั้นมีเจ้าแมวตัวใหญ่ตุ้ยนุย้ยออกมาจากพุ่มไม้ ขนของเจ้าแมวเต็มไปด้วยใบยไม้และสกปรกมันยังดูเหมือนบาดเจ็บอีกด้วยอื้ม อ, อะไรนะอ้เจ้าแมวเอ้าชยวเจ้าแมวสกปรกออกไปนะออกไปไปเจ้าแมวรู้สึกเศร้าและหันหลังกลับไป แต่เมื่อเธอเห็นมันกำลังไปเด็กน้อยลีอาเริ่มร้องไห้ออกมา <c oughs> โอ้ตายละดูเหมือนลีอาจะชอบแมวนั่นนะจับมันไว้มันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอดังนั้นเจ้าแมวถูกจับและนาํามายังพระราชวังสาวใช้ทําความสะอาดให้มันอย่างดีพวกเขาเลี้ยงดูมันอย่างดีและผูกสายที่สวยงามไว้ที่คอของมัน โอ้มันดูน่ารักมากเลยลีอาต้องชอบแน่ลีอาดูเจ้าแมวนี่สิบะแบบลีอารักเจ้าแมวมากเธอจะหลับไม่ลงถ้าไม่มีมันอยู่ข้างๆเธอจะร้องไม่หยุดจนกว่ามันจะมาหาพวกเขาแทบจะแยกจากกันไม่ได้และอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ที่รักมันน่าประหลาดใจมากที่พวกเขาผูกพันกันขนาดนี้ใช่แล้วพิคะฉันหวังว่าความผูกพันนี้จะอยู่ไปอีกนานแมวตัวนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ลีอารมีความสุขมากใช่แล้ว <c oughs> คืนนั้นเมื่อทุกคนกำลังหลับไหลเจ้าแมวตื่นขึ้นและแกะผ้าพันแผลออกว้าว <c oughs> อมันดีขึ้นแล้วในที่สุดแผลของข้าก็หายละ ข้าขต้องไปจากวังนี่เจ้าหญิงที่รักของข้ากาลังหลับขอบคุณมากกับความเมตตานะข้าจะไม่มีวันลืมเช้าวันรุ่งขึ้นมีการตามหาเจ้าแมวคนใช้คนทำความสะอาดพ่อครัวทั้งหมดต่างตามหามันในทุกๆุทีท่เจ้าแมวจ๋าแกอยู่ไหนนะเจ้าแมวโง่วนี่นมันหายไปไหน่อคุณเจอมันไหมที่รักเจอสินี่ไง น, นี่มันตุกก๊กตาไม่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอโอ้ด้วยเหตุนี้เจ้าแมวจึงถูกลืมเลือนไปจากพระราชวังหลายปีผ่านไปเจ้าหญิงลีอาเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงและงดงามมากเธอชอบออกไปเดินเล่นในป่าชมดอกไม้และเธอก็ชอบร้องเพลงกับพวกนกทั้งเป็นวันที่วิเศษไปเลยคิดเหมือนกันไหม โอ้ใช่เพคะเจ้าหญิงโ อ, โอ้สวยมากเลยล่ะโอ้ใช่ขอรับวิเศษมากเลยล่ะห <c oughs> <c oughs> ลับหลับแล้วก็หลับหลับตาของเจ้าลงเถิดนะคนดีและแล้วคนใช้ทั้งสองคนของเธอก็หลับไป ลีอามีความสุขมากในตอนนี้เธอสามารถไปได้ทุกที่แล้วอ่ะเป็นอิสระแล้วมาดูกันว่าจะเจ อ, เจอกับอะไรถ้าไปอีกหน่อยนึงเธอเดินลึกเข้าไปแล้วร้องเพลงอย่างมีความสุขเสียงของเธาไพเราะมากมันดึงดูดพวกนกทั้งหมดแต่มันก็ยังดึงดูดออกชั่วร้ายตัวใหญ่ที่อยู่ในป่าอีกด้วยโว้ฮ่างไพเรออาระอะไรเช่นนี้ คนร้องก็งามยิ่งนักข้าเจ้านางมาเป็นของข้าลาลาลาลาลาลาะเ้ยปล่อยข้าไปนะไม่ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านและเจ้าจะเป็นเมียข้าไม่ไม่นะไม่ช่ยด้วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยเนื่องจากเธอออกมาไกลและคนใช้ทั้งสองก็กำลังหลับอยู่ เขานำเธอเข้ามาในถ้ำลึกแล้ววางเธอลงเธอเริ่มร้องไห้ออกมาตอนนี้จะเป็นของข้าแล้วหยุดร้องไห้ได้แล้วข้าม่อยาได้ยินเสียงรบกวนในนี้ข้ายาให้เจ้าร้องเพลงให้ข้าฟังทุกวันและตอนนี้ร้องซะและลีอาที่น่าสงสารต้องยอมร้องเพลงทั้งน้าตาไม่มีอะไรที่เธอสามารถทาได้เลย <S <S ในตอนยินออกกระหายน้ำมากเขาใช้ให้ลีอาไปเอาน้ำจากลําธารไปเอาทั้งนี่ไปด้วยแล้วอย่าคิดหนีนะถ้าเจ้าหนีข้าจะไล่ล่าเจ้าจนกว่าจะพบลีอาเดินไปที่แม่น้ำอย่างเศร้าใจเมื่อเธอไปถึงเธอพบว่ามีแมวกำลังหลับบนโขดหิน มันเป็นแมวตัวเดียวกันที่เธอเคยเล่นด้วยตอนเป็นทารกแต่เธอจาไม่ได้โออแน่รักจังเลยเมียวเมียวเมียวมานี่เร็ ว, ว, ว, วลีอายื่นมือออกไปเพื่อจะจับมันแต่มันกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้มโอ้เป็นวันที่โชคร้ายของฉันจริงๆเลยอืมอะไรนะเออแกออกมามามานี่สิ มาสี่คนดีโอ้เจ้าช่างงดงามจริงๆเลยเป็นเพื่อนกับข้าได้ไหมข้าไม่มีเพื่อนเลยที่นี่ออกใจร้ายจับข้ามาเพื่อให้ข้าแต่งงานกับเขาข้าหนีไม่ได้ถ้าคิดหนีเขาจะมาจับข้าข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าได้ได้ไหมเจ้าเหมียวน้อยและเมื่อเธอพูดจบ เจ้าแมวน้อยได้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามพร้อมกับผมสีแดงที่ส่องสว่างแต่มีบางอย่างแปลกๆในตัวเขาเขามีหูแมวและหางแกว่นไปมาข้างหลังของเขาโอ้เอเจ้ า, เ จ, าเจ้าเป็นใครอะ่ะเจ้าได้โปรดอย่ากโกรธไปเลยข้าคือเจ้าชายแรดลี่จากอาณาจักรใกล้ๆตอนข้ายังเด็กข้าใจร้ายมาก ทำให้ข้าถูกสาปเป็นวิญญาณแมวและอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้แต่มันต้องมีทางแก้คำสาปสิมันก็มีหออนทางเดียวข้าต้องใจดีและมีเมตตาต่อใครสักคนโดยที่ไม่ให้เขารู้นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ข้ากลับมาเป็นปกติแสดงออกอย่างใจดีมันฟังดูเออเจ้าหญิงหายไปไหน ขากระหายน้ำจะตายแล้วเออไมนะเขาต้องไปแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนออลีอา <c oughs> ไม่นะอะไรนะเออเจ้ารู้จักเชื้ค่าได้ยังไงแต่แรดลี่ได้หายตัวไปในพุ่มไม้แล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ลีอากำลังทำอาหารให้กับออกแรดลี่กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างเออดีจ้าเจ้าเหมียวเออ ถ้าหมายถึงไงรลี่ให้เอ่อเจ้าทอะไรอยู่เหรอเอ่อไม่มีอ่ะแค่กาลังพยายามทาอาหารบางอย่างให้กับปีศาจตัวใหญ่นะ่ะซุปสตรอเบอรี่เป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อซุปสตรอเบอรี่เหรอใช่เอ่ อ, อแน่นอนเยี่ยมเขาจะออกไปเก็บสตรอเบอรี่็หน่อยข้ารสสตบบรอเบอรี่และลีอก็ออกไปเก็บสตรอเบอรี่เรดลี่เห็นขวดซอสพริกอยู่ตรงหน้าของเขา อข้าหวังว่าข้าจะโอ้ยไอ้ยา่ายี่งยำเลยเก็บสตบบรอเบอรี่ได้เยอะเลยตอนนี้ได้เวลาปรุงพวกมันด้วยกันแล้วซุปนี่ต้องเยี่ยมแน่นอนเลยจริงไหมอ๋อใช่ใช่เยี่ยมสุดๆไปเลยอ่ะเออจริงไหมอ่ะข้าต้องไปก่อนน ะ, ะไว้เจอ ก, กันที่แม่น้ําถ้าเจ้าเสร็จจากที่นี่และเขาก็กระโดดออกจากหน้าต่างไป เจ้าเย่ยงซุปของข้าละ่ะถ้าไม่เอามันมาตอนนี้ข้าจะกินเจ้าเป็นมื้อเที่ยงซะเลยเอ่อ น, นี่ซุปของเจ้าข้าพยายามทำให้มันอร่อยที่สุดเลยนะแต่มันอาจจะหวานไปหน่อยเจ้าออกจับถ้วยซุปและกรอกมันเข้าเต็มปากเต็มคํา แต่เขาต้องตกใจมากเพราะซุปไม่หวานมันรู้สึกเหมือนมีไฟอยู่ในปากของเขาอย่างไงอย่างนั้น <c oughs> อ๋อเพ็ดเพ็ดนี่เจ้าใส่อะไรลงไปไหนซุปเนี่ยโถอเอ้ยน้ำเอาน้ำมาเจ้าออกรีบวิ่งออกไปจากถ้าเพื่อไปที่แม่น้ำแต่แรดลี่ดักรอเขาอยู่ที่นั่นเขายืดหางออกไปผูกกับต้นไม้อ๋อ โอ้โหโเพ็ดเพ็ขอน้าหน่อยน้ำเออเข้ามาแล้วตอนนี้ล่ะแรดลี่ดึงหางวิเศษของเขาขึ้นเจ้ากอ็อกที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสะดุดหาของเขาและตกลงไปในแม่น้ำอย่างแรงเขาถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดไป <_ AD D> และไม่เห็นอีกเลยเ <_ AD D> ออ เกิดอะไรขึ้นอ่ะข้าจัดการเจ้ายักษ์นั้นให้เจ้าละตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วจริงเหรอวิเศษไปเลยโอ้อขอบคุณมากนะแรดลี่อ้อเรื่องทั้งหมดนี้นะ่ากลัวมากข้ายากลืมมันไปให้หมดเลยละแรดลี่รู้สึกเสียใจกับเจ้าหญิงที่น่าสงสารมากเขาจึงวางมือไว้บนหัวเธอและลูบมันเบาๆข้าจะให้ความปรารถนานี้กับเจ้าเจ้าจะจาไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เกี่ยวกับออกนั่นไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับเธอลีอาที่รักเรดลี่เจ้าเป็นใครกันนะตาของลีอาหนักอึ้งและเธอก็หลับลงไปในมิชาเรดลี่อุ้มเธอเพื่อไปอยังพระราชวังเมื่อเขาถึงที่นั่นเขามองขึ้นไปบนหน้าต่างของเธอนี่มันไกลามากเลยนะจับให้แน่ๆละ่ะลีอา เขายืดหางสูงขึ้นไปจนถึงหน้าตาของเจ้าหญิงเขาจับเธอแน่นและทั้งคู่ก็ขึ้นไปถึงยังปลอดภัยเมื่อถึงที่นั่นเขาวางเธไว้บนเตียที่อบอุ่นของเธอฝันดีนะเจ้าหญิงข้าหวังว่าเราคงได้พบกันอีกเมื่อแรดลี่ลงมาข้างล่างตัวของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงในทันทีหูและหางของเขาหายไปเป็นเพราะเขาช่วยเจ้าหญิงลีอาจากอ็อกและลบความทรงจําให้เธอ ทำให้คำสาปของเขาหายไปข้าข้ากลับมาเป็นคนอีกครั้งแล้วข้าเป็นเนสราแล้วและเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอาณาจักรของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าหญิงตื่นราชาและราชินีรีบเข้ามาในห้องของเธอลูกรักลูกหายไปไหนมานโอลิอาลูกไม่เป็นไรใช่ไหม เซเลจำอะไรไม่ได้เลยเธอช็อกมากเมื่อเห็นพ่อกับแม่มองเธออย่างกังวลมีอะไรอย่างนั้นหรอคะทําไมพ่อกับแม่ดูกังวลจังหนูฝันประหลาดมากเลยฝันถึงแมวอ็ อ, อกและหนุ่มรูปงามหนูเนะ่ยไม่รู้ว่าเขาน่ยเป็นใครหลายวันผ่านไปราชาและราชินีสังเกตเห็นว่าลูกสาวของพวกเขาผิดปกติไป ถ้าเหมือนติดอยู่ในความฝันเขาต้องลืมบางอย่างที่สำคัญมากๆไปแน่เลยแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะลูกสาวของเราดูไม่มีความสุขเลยนะพวกเราควรทำยังไงวิธีที่เรายังไม่เคยลองก็คือการแต่งงานโอ้ลองทำดูเถอะถ้ออาจมีความสุขก็ได้นะถ้าได้รักใครสักคนหนึ่งวันต่อมา เจ้าชายจากทั่วราชอาณาจักรต่างเข้ามาพบเธอลีอาพบพวกเขาทั้งหมดแต่ก็ไม่ชอบใครเลยในตอนนั้นเมื่อแรดลีย์ได้เข้ามาทักทายเธอเขายิ้มและโค้งคำนับให้เธอลีอาประหลาดใจมากท่านท่านคือเจ้าชายที่ข้าฝันถึงเป็นเกียรติมากฟาบาสนั่นหมายความว่าท่านจะแต่งงานกับข้าใช่ไหม ท่านบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ข้าชอบมากที่สุดข้าจะแต่งงานกับท่านโอข้าขอเดานะเออสตรอเบอรี่ใช่หมท่านท่านรู้ได้ยังไงโอข้าก็แค่เดานะ่ะและในมิชอัพวกเขาก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทีอารักและลี่อย่างหม่นหัวใจเธอลับลูกแมวมาเลี้ยงด้วยและสาหรับและลี่ เขาไม่เคยบอกเธอเกี่ยวกับอดีตเลยมันดีที่สุดแล้วที่จะเก็บเรื่องทั้งหมดไว้กับตัวเขาเอง